ก็โดยอาการใส่ใจมองกายโดยความเป็นของสวยของงามถ้าหากเรามองเสื่ตามจริงว่ากายเป็นของสกปรกใส่ใจโดยแยบคายว่าตั้งแต่ศรีรษะจะรดเท้าไม่มีส่วนใดสะอาดเลยอย่างนี้ก็จะเป็นการแก้ลำกลกามเสียได้ฉันลองทําตามที่ยุค ป, ปัจจุบันทำกันคือหาภาพศพน่าสะอิดสะเอียนมาดูผอิญฉันเป็นคนไม่มีจินตนาการแรง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 ที่วานกันข่าเรื่องมีอยู่ว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในป่ามาหาวันครั้งหนึ่งพระองค์แสดงเทศนาธรรมสรรเสริญอสุภกรรมฐานคือข้อปฏิบัติ ด, ดูกายโดยความเป็นปฏิกูลตลอดจนภารณนาคุณของฌานสมาบัติอันมีอสุภะเป็นตัวตั้งจากนั้นพระองค์ท่านก็หลีกเร้นอยู่เพียงลำพังประมาณสองอาทิตย์โดยไม่ทรงอนุญาตให้ผู้ใดรบกวน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 สติที่ตั้งมั่นทำให้กายปรากฏชัดอย่างต่อเนื่องแต่ก็แหว่งวิ่นเห็นเป็นส่วนส่วนบ้างชัดเต็มทั้งตัวบ้างตามสภาพอันไม่เที่ยงแปรปรวนเป็นธรรมดาของวิญญาณขันนั่งไปนั่งมาเหมือนจิตจะซึมลงสู่ความโงกง่วงเพราะพึ่งเหนื่อยวิ่งจนเหงื่อตกมาหยกๆยกแต่พอง่วงเช่นนั้นก็นึกถึงความสว่างแห่งทิวากาลก็รู้สึกอุ่นและสว่างรอบ